อาจจริยวัตถกถาว่าด้วยอาจจริยวัตรเรื่องการบอกนิสัยแก่มานพกรบุตข้อเจ็ดสิบสีสมัยนั้นมานพคนหนึ่งเข้าไปหาภิกษุทั้งหลายขอบรรพชชาภิกษุทั้งหลายได้บอกนิสัยแก่เขาก่อนบวชเขากล่าวอย่างนี้ว่าท่านขอรับถ้าบวชแล้วท่านทั้งหลายจะพึงบอกนิสัยแก่กระผมกระผมก็จะยินดียิ่ง บทนี้กระผมจะไม่บวชครับเพราะว่านิสัยเป็นสิ่งที่น่าชังน่าเกลียดสําหรับกระผมภิกษุทั้งหลายจึงนําเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบพระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายไม่พึงบอกนิสัยก่อนบวชรูปใดบอกต้องอบัตทุกกดภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตให้บอกนิสัยพออุปสมบทเสร็จ